ท่านฟังที่เคารพคะ่ะท่านกำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาค่ะเป็นอีกห่วงหนึ่งนะคะ ท, ที่ท่านจะได้พบกับพุทธวจนะในอีกหนึ่งรูปแบบของรายการนี้หลังจากที่ปฏิบัติธรรมกันไปฟังพุทธวจนะแบบเต็มพระสูตรกันไปตอนนี้ก็มาฟังพุทธวจนะในลักษณะที่ถูกนําออกมาตอบคําถามในรายการนี้เปิดทางที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะโดยพระพบูลุ์อภิปุญโนค่ะ นส ก, การ์ดนกะับท่านคะเยนบาลค่ะวันนี้เดีฉันเองก็คงจะกลับเรียนถามท่านเนี่ยถึงประเด็นที่มันเป็นประเด็นของสังคมแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงประเด็นของสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษเนี่ยนะคะอยากจะให้ท่านได้พูดฝากอะไรไว้ที่รายการนี้ช่วงของท่านตั้งใจจะพูดให้ในช่วงของการเฉลิมฉลอง2600ปีพุทธชยันตี ศา ส, สดาของเราค่ะเจริญพรก็คือเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยนะที่พระเจ้าได้พยายามทำมาตลอด45ปีเนี่ยพระเจ้าก็เดินทางอยู่มากนะคุณโยมติวเดินทางจากที่นี่ไป ท, ที่นู่นที่นั่นอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะไปหาบุคคลที่ควรจะได้รับความข้อมูลที่ถูกต้องในการปฏิบัติเนี่ยนะซึ่งเราจะพบว่าการเดินทางพระองค์นี่บางทีก็ยากลําบากเหมือนกันแต่ทําให้เรารู้ว่า แม้สมัยเนี้มันมีเทคโนโลยีคุณโยมติว๋วเพียงแค่คลิกๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ต่อหน้าเราเลย <c oughs> อ่าไม่จำเป็นต้องมารอพระเจ้าหรือว่าเดินตามพระเจ้าไปเสด็จไปที่ไหนที่ไหนแล้วก็ถือว่าเดินทางไกลเพื่อที่จะไปฟังแต่คิดว่าเรามีความโชคดีมากในเรื่องนี้ค่ ะ, คะก็ต้องบอกว่ากว่าที่ธรรมะของพระพุทธองค์จะเผยแผ่กว้างขวางอย่างนี้ศาสนาของเราเนี่ทรงเหน็ดเหนื่อยและก็ทุ่มเทพระวรกายมากอืมใช่มันถึงยุคเราเนี่สบายสบาย นะคะจะนอนอยู่กับเครื่องอินเทอร์เน็ตเอาเครื่องอินเทอร์เน็ตต้อยบนภูมินะคะจิ้มไปจิ้มไปเศษธรรมะไปนอนแล้วเศษธรรมะ น, นี่ผิดไหมคะท่าน <c oughs> ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าผู้ชายบางทีก็เทศคนที่นอนอยู่เหมือนกันนีคือ <c oughs> คนที่ป่วยเนีถ้า <c oughs> ป่วยแล้วก็นอนอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพระสงฆ์แสดงธรรมกับบุคคลที่นอนอยู่แล้วไม่ป่วยอันนี้พระสงฆ์ผิดอ๋อเหรอค ะ, อะใช่อ๋ออันนี้ก็อย่าทําเป็นเล่นนะคะท่านอาจจะ <c oughs> ทําให้พระสงฆ์ ต้องผิดโดยไม่จําเป็นหากทําเป็นแกล้งนอนใช่ <c oughs> นอนฟังธรรมนี่ผู้ที่แสดงทำนี้ต้องคอยตรวจดูว่ามีการกระทำนี้คือไม่ใช่แค่นอนเฉยถืออาวุธหรือเปล่าหรือว่ า, าใส่หมวกไหมอันนี้ก็โดนเหมือนกันโอท่าน ถ, ถ, าถ้าอย่างนั้นขอรายละเอียดเพิ่มถ้าถ้ามีนะคะใส่หมวกเนี่ยดี๋ฉันคิดว่าคนเราพลาดพลั้งได้ใส่หมวกถือโล่เนี่ยจะอนุมานไหมคะหรือไม่เอาแค่ใส่หมวกพอ ใส่หมวกถือร่มถืออาวุธพวกนี้อ่ก็มีปัญหาหมดค่ ะ, ะ, ะถ้าอย่างนั้นท่านคะ <c oughs> เวลาพระจะไปเทศให้ตำรวจทหารอยู่ในเครื่องแบบฟังเนี่ย <c oughs> ควรจะเอาอาวุธออกก่อนสิคะเอะก็จะต้องเป็นอย่างนั้นคือก่อ น, ก, อนก่อนเทศเนี่ยพระสงฆ์นี่ก็ต้องแจ้งให้ทราบและค่ะถ้าในมือถืออาวุธคือท่านเหน็บนี่ก็คงไม่เป็นไรน ะ, ะแต่ถ้ามือถือนี่ไม่ได้อใส่รองเท้าสวมหมวกถือร่มพวกนี้ไม่ได้หมด อันนี้แหมอย่า ง, งกับคนถืออาวุธนี่ฉันหลับตานึกถึงภาพหน่วยงานของทหารนะคะงานใหญ่ๆนี่มลพระไปแสดงธรรมคนยืนยานที่จาเป็นหลักต้องถือปืนไว้เป็นอาวุธประจําการ อ, อ, อ, อย่างนี้ก็คงไม่เก็บละเอียดมั้งคะถือว่าพวกนั้นเขาทําตามหน้าที่เขาต้องอยืนอยู่ตรงนี้ก็จะคือแค่สมมุติว่าบริเวณฟังธรรมเนี่ยมึดเสียงมันกระจายไปถึงน ะ, ะแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่ในบริเวณที่แสดงธรรมก็ได้ แต่วมมตว่าเขาเฝ้าอยู่ที่บริเวณประตูเนี่ยแต่ว่าเราตั้งใจจะเทศให้กับบุคคลแถวๆนี้เท่านั้นเองแต่ที่ไม่ได้อยู่ในเกี่ยวข้องกับประตูเนี่ยก็คิดว่าไปได้เหมือนกันอแต่ถ้าหากว่าเป็นการแสดงเฉพาะระบุเจาะจงลงไปคนนั้นต้องวางอาวุธก่อนใช่อย่างไรก็ตามความผิดตรงนี้ก็เป็นความผิดที่เรียกว่าเป็นอบัติเบาเป็นอบาบัติเบาแล้วก็จริงๆแล้วพึงแค่พึงทําการศึกษาว่านะ ทีจ่งจงมันก็จะไม่ใช่เรื่องผิดที่ถึงกับร้ายแรงอะไรมากอย่างเงี้ยค่ ะ, ะอ่าบาดเบาเนี่จะมีทางผ่อนคลายได้อย่างไรคะที่ว่าเบาๆาเนี่ยเ อ, อผู้รู้จักใช้คําว่าพึงทำศึกษาว่าอ๋อ <นะ S 1> อันนี้คือท่านต่อไปแล้วใช่พึงทำศึกษาว่าจะไม่แสดงธรรมกับบุคคลเตือร่มในมืออย่างนี้เป็นต้นอ้โจะไม่แสดงธรรมกับบุคคลที่มีอาวุธในมืออย่างนี้เป็นตน้นแปลว่าให้รู้เถอะว่าไม่ควร แก้ไขซะคราวหน้าอยาอ่าทำอะใช่นะคะซึ่งไอการแสดงทำตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เพราะว่าที่เหตุที่บัญญัติเนี่ยเพราะมีคนมาโจดไงมีคนมาฟ้องพระพุทธเจ้าว่ากั้นเถอะมาเอ้าเนี่ยถืออาวุธในมือแสดงทำให้เขาฟังโหมันก็กยามกันนะค่ะ ซ, ซึ่งพระพุทธเจ้าอาจจะเคยทําด้วยไหมถ้าไม่ถ้ามาคาดไม่ผิด่นะคือตอนที่ท่านพระเทวทัตเนี่ยส่ง นักฆ่ามาฆ่าพระเจ้าเนี่ยซีส่งในขมังธนูหนึ่งคนมาหาพระเจ้าเพื่อจะทําร้ายแล้วก็ส่งนักฆ่าอีกสองคนมาฆ่านักฆ่าคนแรกส่งนักฆ่า4คนมาฆ่านักฆ่าคนที่2อย่างเงี้ยส่งนักฆ่าแปคนมาฆ่านักฆ่า4คนนั้นซึ่งพระเจ้าก็แสดงทําให้บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดทั้งหมดเลยซึ่งระหว่างที่แสดงธรรมเนี่ยอาจจะจะไปบอกให้เขาวางอาวุธเหรอมันก็คงจะยังไม่คุ้นเคยกันอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะพระเจ้าอาจจะมีวิธี แต่ น, นี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็แล้วกันค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอันนี้ที่ใหท้ท่านได้ทราบก็คือว่ามีอยู่ในพุทธวจนะแล้วก็ท่านพิบูลได้พูดถึงแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่พวกเรามีโอกาสที่จะมีประสบการณ์ได้บ้างไม่มากก็น้อยจึงแจ้งให้ทราบแล้วก็ไปพิจารณาตัดสินใจกระทําแต่ใส่หมวกนี่ฉันว่ามันชัดเจนเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นมารยาทของคนไทยด้วยซ้ําไปว่ามีที่อะไรบ้างที่เขาไม่ให้ใส่หมวกกันอื แต่เดี๋ยวนี้คนนะคะใส่แว่นตาดำใส่หมวกนบางที่มันเก๋ค่ะมันเป็นแฟชั่นก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ในที่ที่มีหลังคา mm. อยู่ในอาคาร mm. ก็จะใส า, าเท่ให้รู้ว่าถ้าเป็นเรื่องของอการที่จะต้องสั่งทรรมพระสงฆ์ถอดสเสเถอเถิด <c oughs> ท่านคะแล้วเรื่องรองเท้าเนะะี่ยค่ะดิฉันเองก็สงสัยนะคะคือประเด็น รองเท้ากับการไปใส่บาตรเนี่ยไม่ค่อยสงสัยแล้วเพราะว่าพระบอกว่าโยมสามารถที่จะใส่รองเท้าได้แต่ถ้าสมมุตินะค ะ, ะที่ในกรณีแสดงธรรมเนี่ยหากบังเอิญที่นิยมนิยมทำกันก็คือโยมก็จะใส่บาตรเสร็จนั่งย่อลงไปเลยพระก็เลยต้องให้พรการให้พร น, นั้นถือว่าเป็นการที่สวดมนต์ซึ่งไม่สามารถ ที่จะให้กับคนที่ใส่รองเท้าฟังได้ด้วยไหมคะเอ่อก็จะคือการการแสดงธรรมตรงนี้เนี่ยต้นบัญญัติของเหตุตรงนี้นะคือรองเท้าที่แบบงอนๆขึ้นมารองเท้าแบบรองเท้ากษัตริย์อะไรรองเท้าที่แบบเลื่อนหรูอลังการประเภทนั้นนะนะค่ะที่ น, นี้ผู้ชายกตึงยกพูดถึงรองเท้าประเภทนี้อา่าแล้วก็ถ้าเป็นรองเท้าอื่นๆแบบอาจจะมีข้อที่ต้องวิวเคราะห์กันมากนิดนึงแต่เพราะว่าอย่างสมัยเนี้ย อย่างสมมติพระไปแสดงทําในห้องประชุมอย่างเงี้ยเพระก็นั่งอยู่บนสเตเดียมใช่ไหมหรือบนโพเดียมอย่างเงี้ย น, นั่งอยู่กลามแล้วก็คนฟังก็นั่งอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ใส่รองเท้าทํางานหมดเลยเอางี้พระจะทําไงอเนี่ยค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ทําตัวไม่ถูกแต่พูดถึงเราเนี่ยก็อยากจะสะดวกใจของเรายกตัวอย่างเช่นเวลาไปงานศพเนี่ยนะคะท่านยิ่งเข้าใจว่าถ้าเราไปงานบุญปกติธรรมดาแล้วก็สรารวัตรสารานเนี่ย เราจะไม่ค่ยรู้สึกแต่ถ้าสมมุติเกิดไปบนศาลาที่เขาตั้งศพอืแล้วเขาบอกให้ถอดรองเท้าเข้าไปบือทีเราไม่อยากจะเข้าไปนั่งข้างในเลยขอนั่งนอกก็ได้ อ, อแต่ก็เห็นแขกเป็นจํานวนมากในบางที่เขาก็ใส่รองเท้าเอินเข้าไปก็ใส่กันทุกคนเลยนะคะทีนี้ขั้นตอนของการไปร่วมพิธีแน่นอนนะคะท่านต้องสวดด้วยนะคะดังนั้นก็เลยแปลกใจว่าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าพระแสดงธรรมหรือเปล่าแล้ว ความจริงแล้วเราควรจะถอดหรือใส่รองเทา้าอย่างในงานต่างๆเหล่านั้นนะ่ะคุณยมเดชสังเกตว่าจะมีกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปนั่งพระพีบอยู่หน้าพระเวลาเวลาสวดมนต์กันค่ะอ <c oughs> สมมุนปัท tha พระฉลาต่อย <c oughs> ก็อาจจะกําหนดจิตตัวเองว่าเราเทศให้กลุ่มผุนนี้ฟังพอแล้วถ้าเครื่องขระยหญเสียงมันจะไปถึงไกลถึงไกลก็ช่างหัวมันลักษณะนี้ก็อาจจะเอาตัวรอบไปได้อ๋อคือถ้าฟันทงก็คือว่า พระจะแสดงธรรมหรือสวดพระเราเข้าใจ้เ้าเรียกสวดคาภิธรรมถูกไหคะใช่ใชนี่อั น, น้ น, <ใ>นถือว่าเป็นการแสดงธรรมไหมคะอะแน่นอนแน่นอนใช่อ๋อก็เท่ากับว่าหลักการคือพระจะไม่แสดงธรรมให้กับโยมที่ใส่รองเท้าอ่าถูกต้องอันนี้จะเป็นข้อที่พระจะต้องพึงศึกษาว่าอย่างนี้ฮะเพราะพระพุทธเจ้าสั่งไว้ใช่พระพูดเป็นภาษาง่ายๆนะคะดังนั้นก็เท่ากับว่าพระทุกรูปเนี่ยต้องทราบแต่ส่วนโยมเนี่ยทราบไว้ด้วยก็ดี จะนี้ว่าถ้าพระทราบใช่ไหมแล้วคราวญไม่ทราบเนี่ยถ้าคราวญาทําตัวไม่ถูกพระอาจจะนิ่งไว้หรือว่าถ้าคนที่บอกได้พยาคงจะบอกให้ให้ทราบแล้วก็ทีนี้บางทีมันปฏิบัติยากเหมือนกันนะคุณโยมติว๋วใช่ค่ะอะอย่างเอาง่ายๆอย่างการยืนแสดงธรรมอย่างเงี้ยสมัยก่อนท่านพุทธทาสอย่างเงี้ยท่านเป็นคนแรกนะที่ยืนปาทัถานะพระสมัยก่อนจะต้องนั่งทํามาสสูงๆแล้วก็ถือใบลานอย่างเงี้ยนะสมัยท่านพุทธทาสน ะ, ะจนกระทั่งท่านพระพุทธทาสเนี่ยมามาบุกเบิก คือตัวองยืนแสดงธรรมยืนปฏิคัตฐานรวมทังท่านปัญญาอนัตต์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็การยืนแสดงธรรมนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันห้ามเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอพระไปเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องยืนแสดงธรรมก<笑><笑>ัก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยคงจะต้องมีคืออย่างไรก็ตามอาบัตินี้ก็ไม่ใช่อาบัติหนักคือไม่เป็นอาบัติด้วยซ้ําแค่เราทําศึกษาว่าวก็มันอยู่ในหมวดของเสขียวัด นเนียเสกฮีบัสเนี่คือข้อปฏิบาต ท, ที่เราควรจะต้องทำการศึกษาโดยพู้วิจนะก็ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงว่าเป็นอาบัตอะไรค่ะดึงเข้าใจว่า ม, มันคงเป็นเรื่องที่คราวาต์เนี่ยละคะ่ะจะต้องคิดกันเองแล้วล่ะว่าเราควรที่จะปฏิบัติต่อพระสงค์อย่างไรดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคราว่าต์มักจะเป็นผู้ที่กระเตรียมสถานที่ต่าง เวลานิมนต์พระไปถูกไหมคะใช่บานใช่ว่าควรจะทําเช่นไหรหรืออ่ามันอาจจะมีบางครั้งบางที่ที่พระสงฆ์เองก็เตรียมสถานที่เองก็สุดแท้แต่ว่าจะรักษาระเบียบประเพณีเดิมอย่างไรออ่า อ, อันนี้ก็น่าคิดนะคะคือดิฉันคิดว่าเรื่องระเบียบขนบอะไรพวกเนี้ใช่บานดูให้มันเป็นเรื่อง ล่าสมัยมันก็ตัดสินใจง่ายว่าเออมันล่าสมัยยุคสมัยมันผ่านไปแล้วอืแต่ถ้าดูไปว่าลึกๆนั้นมันมีนัยยะอะไรที่แอบแฝงอยู่ไหมบางครั้งเนี่ยคนโบราณเขาฉลาดอืมใช่ฮะเขาบอกห้ามทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ข้างหลังทั้งนั้นอเพียงแต่คิดไปไม่ถึงก็เลยไม่รู้ไปคิดกันออกกันแล้วกันนะคะัรายการนี้ก็เปิดกว้างให้ท่านได้รับความรู้ใหม่กันแล้วกันถ้าหากว่ายังไม่เคยรู้ แต่ถ้ารู้แล้วก็ลองไปใคร่ครวนตัดสินใจทํเอาความจริงที่ฉันเองกำลังจะถามเรื่องต่อไปท่านจะดูเหมนกัว่าวันนี้พาท่านติดลมอยู่ตรงนี้นานจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่สิคะเนี่ยท่านพอสรุปเลยได้ไหมคะว่าจากการที่ท่านได้พูดถึงปีพุทธยตวรรีแล้วพาพวกเราไปจินตนาการถึงภาพของพระพุทธเจ้าว่าทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดกว่าที่จะทาให้คาสอนของท่านนั้น แพร่หลายแล้วก็อยู่ยั้งยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้เราควรที่จะปฏิบัติต่อคําสอนที่ล้ําค่าของท่านกันอย่างไรต้องเคารพธรรมน ะ, ะบโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มาเรียกว่าศึกษาคําสอนพระเจ้าเนี่ยต้องเคารพธรรมในการเคารพธรรมถ้าเราเคารพด้วยทางกายภาพนะเราก็เวลาพระสงฆ์แสดงธรรมอยู่เราก็เงียบเียบนะไม่ได้รบกวนเสียงใคร แล้วก็ข้อปฏิบัติใดที่เราพอจะเริ่มได้แล้วก็ปฏิบัติเอาส่วนเรื่องของการเคารพทางใจนั่นก็คืออย่าเป็นคนพานแลแล้วก็ให้ปฏิบัติตามธรรมะนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้เคารพธรรมอป็นสองแบบใหญ่ๆเคารพทางกายกับเคารพทางใจใช่ใชนะคะเคารพทางกายนี่ส่วนใหญ่เวลาพระแสดงธรรมพระเทศเนี่ย มีบ่อยมากเลยนะคะที่โยมถือว่าเป็นเวลาโยมสังสรรค์ <c oughs> คือพระกเทศไปโยงกเทศกัน<ช>ซึ่งกันและกัน <c oughs> แต่ว่าอีกประการหนึ่งก็คือด้วยใจยเอาไปปฏิบัติใถูกต้องเราครบธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้ชืวว่อ<ม>เป็นผู้สมควรแก่ธ <ๆ S 2> รรมไหมครับว่าไงคนระับสมควรแก่ธรรมก็คือว่าอย่างทําหมดนี้นี้นาเราเอามาทําให้ถูกต้องอ่าแล้วก็ทําให้เป็นลําดับลำดับขึ้นขึ้นไป ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างนี้นะค่ะนะคะวันนี้ก็ได้ไปมากพอสมควรทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องประโยชน์ที่คําสอนของพระศาสดาได้ทิ้งไว้โดยพระเพรบูรณ์อภิปุณโญเจ้าวิปาดอหายโศจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้ก็นมัสการขอบพระคุณท่านไพบูรณ์เป็นอย่างยิ่งค่ะเชิญปานท่านฟังที่เคารพคะและนี่ก็เป็นช่วงเวลาของรายการสัมมนาสนทนาอีกวันหนึ่งนะคะการที่เราได้รู้จัก พระพุทธเจ้าพระศาสดาของเรามากยิ่งขึ้นดิฉันเชื่อว่ามันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกศรัทธาแบบจินตนาการออกว่าเพราะท่านเป็นใครเพราะท่านทำอะไรไว้เพราะสิ่งที่ท่านทำมีคุณประโยชน์อย่างไรเราก็ยิ่งปักศรัทธาหนักแน่นลงไปแล้วศรัทธานี่แหละคะ่ะจะนำเนื่องไปสู่การก้าวหน้า ในธรรมที่เราพยายามประพปริตามท่านเองส่วนจะนำเนื้องอย่างไรถ้าสงสัยมากกว่านี้พรุ่งนี้เรายังไปฟังได้นะคะจากพระเพรบุญอภิปุโนท่านที่สนใจอยากจะศึกษาพุทธวจนะอยากจะไปท่องไว้เลยเพื่อมาทราบซึ้งมากในวิธีการตรัสของพระพุทธองค์และก็จะได้ช่วยสืบทอดด้วยการที่ให้ความสาคัญกับปทพยัญชนะ ของคำสอนดังที่ท่านได้ตรัสไว้ก็เชิญนะคะศูนย์สอ0สเพระอาจารย์คริสติสธิพโลท่านก็ได้มีญาติโยมช่วยกันสร้างสื่อนี้มาเผยแผ่นะคะแจกในรายการกันวารละสามท่านค่ะวันนี้ที่ฉันสันสนีนาคพงรายการสันสนีสนทนาสถานีวิทยุ FM-106 ครอกรอบกรัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ลาท่านฟังที่เคารพทุกท่านกันไปด้วยคำว่าพุทธวัตรสวัสดีค่ะ